แนะนำบทอัลบุรุจบทอัลบุรุจเป็นบทมักกียะมี 22 องค์การณ์แกนหลักของบทก็คือเรื่องของบรรดาเจ้าของหลุมพรางอัซฮาบุลอุดูดซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเสียสละด้วยชีวิตในทางของการเชื่อมั่นและการศรัทธาบทนี้ได้ร่วมด้วยการสาบานด้วยท้องฟ้าและที่เต็มไปด้วยดวงดาวน้อยใหญ่ซึ่งโคจรไปตามจักรราศี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 ในการที่จะจัดการกับศัตรูของพระองค์ซึ่งพวกเขาได้ประหัตประหารปวงบ่าวที่รักใคร่ของพระองค์บทนี้ได้จบลงด้วยเรื่องของฟิรอาวและสิ่งที่ประสบแก่ตัวของเขาและหมู่ชนของเขาคือความพินาศความหายนะอันเนื่องจากการกดขี่ข่มเหงและความเกลียดขร้าดนั่นเองบิสมิลลาฮิรร่อห์มานิรเราะฮีมด้วยพระนามของอัลเลาะห์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ قُصَّابًا دُوَيْشَن فَاتِ تَم ไปด้วยดวงดาวและด้วยวันที่ถูกสัญญาไว้และด้วยผู้เป็นพยานและผู้ที่ถูกเป็นพยาน قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ บรรดาเจ้าของหลุมพรางได้ถูกสาปแช่งแล้วไฟที่เต็มไปด้วยเชือเพลิงขณะที่พวกเขานั่งอยู่ตรงหน้าไฟวะฮุมมาลามายะฟอลูนบิลมูอ์มินีนชูฮูดและพวกเขารู้เห็นเป็นพยานต่อสิ่งที่บรรดาลูกน้องกระทํากับผู้ศรัทธาวะมานะกะมูมินฮุมอิลลาอันยูมินูบิลลาฮิลอะซีซิลฮะมีด ละพวกเขาไม่ได้แก้แค้นเขาเหล่านั้นเว้นแต่ว่าเขาเหล่านั้นศรัทธาต่ออัลเลาะห์ผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงได้รับการสรรเสริญอัลลซีละฮูมุลกุสซะมาวาตวัลอัรฎวัลลอฮุอะลากุลลีชัยอินชะฮีดผู้ซึ่งกรรมสิทธิ์แห่งบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินเป็นของพระองค์และอัลลอห์นั้นทรงเป็นพยานต่อทุกสิ่งอิน الذي لفتن المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق تاจิง ผู้ที่ประหัดประหารผู้สัตถาชายและผู้สัตถาหญิงแล้วพวกเขาไม่ได้สํานึกผิดกลับเนื้อกลับตัวนั้นพวกเขาจะรับการลงโทษแห่งนรกยานนํา และพวกเขาจะรับการลงโทษแห่งการเผาไหม้อินนัลลซีนามานูวาเมรุซซอลิฮาติละฮุมญันนะตุตัจรีมินตัหติฮัลอันฮาร์ซาลิกัลฟาวซุลกะบีรถ้าจริงบรรดาผู้ศรัทธาและทำความดีทั้งหลายพวกเขาจะได้เข้าสวนสวรรค์อันหลากหลายณเบื้องล่างของมันมีแม่น้ำหลายสายไหลผ่าน นั่นคือชัยชนะอันยิ่งใหญ่อินนาบะตัชรับบิกะละชะดีดอินนะฮูวะยับดิอูวะยะอีดุวะฮุวัลกะอูรุลวะดูดุลอักชิลมะญีดถ้าจริงการลงโทษของพระผู้อภิบาลของเจ้านั้นรุนแรงยิ่งนักถ้าจริงพระองค์คือผู้ทรงให้บังเกิดครั้งแรกและทรงให้กลับฟื้นคืนชีพอีกและพระองค์คือผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงรักใคร่เป็นเจ้าของบัลลังก์อันประเสริฐ ذو العرش المجيد فعال لما يريد เป็นเจ้าของบัลลังก์อันประเสริฐผู้ทรงกระทําอย่างเด็ดขาดตามที่พระองค์ทรงประสงค์ هل اذكرك حديث الجنود في فرعون وثمود ได้มีเรื่องราวไพร่พลมายังเจ้าแล้วไม่ใช่หรือของฟิรอาวและสมูด بل للذين كفروا في تكذيب والله من وراءهم محيط تاบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธายังไม่ยอมเชื่อความจริง แล้วอัลเลาะห์ทรงห้อมล้อมพวกเขาไว้ทุกด้าน ذل هو قران مجيد في لوح محفوظ ไม่ใช่เช่นนั้นหรอกที่พวกเขาไม่ยอมเชื่อถือ คือกุรอานอันประเสริฐอยู่ในแผ่นจารึกที่ถูกเก็บรักษาไว้